สังคาที่เศษสิขาบทที่สองว่าด้วยการบวชให้สต ร, รีผู้เป็นโจรเรื่องชายาเจ้าลิชวีกับภิกษุณีทุลนันทาข้อ682สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นในกรุงเวสาลีชายาของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งประพฤตินอกใจพระสวามี เจ้าลิชวีผู้นั้นตรัสกับหญิงนั้นดังนี้ว่าเอาละเธอจงงดเว้นถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะทําโทษเธอนางแม้จะถูกว่ากล่าวอย่างนี้ก็ไม่เชื่อต่อมาคณะเจ้าลิชวีได้ประชุมกันด้วยราชกรณีกิจบางอย่างเจ้าลิชวีองค์นั้นได้ตรัสกับพวกเจ้าลิชวีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายขออนุญาตให้หม่อมฉันจัดการกับสตรีคนหนึ่งคณะถามว่าสตรีผู้นั้นคือใคร เจาวาฤาษีนั้นตอบว่านางคือภรรยาประพฤตินอกใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักฆ่านางคณะกล่าวว่าท่านจงรู้เองเถิดสตรีนั้นทราบข่าวว่าสามีประสงค์จะฆ่านางจึงเก็บของสําคัญสำคัญนี้ไปยังกรุงสาวัตถีเข้าไปหาพวกเดรรถีขอบวชพวกเดรรถีไม่ต้องการบวชให้นางจึงเข้าไปหาพวกภิกษุณีขอบวชพวกภิกษุณี ก็ไม่ต้องการจะบวชให้จึงเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันทาบวดของมีค่าแล้วขอบวชภิกษุณีทุลนันทารับเอาสิ่งของแล้วบวชให้นางต่อมาเจ้าลิาวีนั้นส่งตามหา ส, สตรีนั้นไปถึงกรุงสาวัตถีพบนางบวชในสำนักภิกษุณีจึงเข้าไปเฝ้าพราะเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลดังนี้ว่าขอเดชะ ชายาของหม่อมฉันขโมยของมีค่านี้มากรุงสาวัตถีขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้จับนางพระเจ้าปเปเสนที่โกศลตรัสว่าเชิญท่านสือผานางพบและจงมาบอกเจ้าเลชวีกราบทูลว่าหม่อมฉันเห็นนางบวชในสำนักภิกษุณีพระเจ้าข่าพระเจ้าปเปเสนที่โกศลตรัสว่าถ้านางบวชในสำนักภิกษุณีใครๆก็ทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ขอให้นางประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดครั้งนั้นเจ้าลิชวีนั้นตำหนิประนามโพลธ น, นาว่าฉะนพวกภิกษุณีจึงบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินเจ้าลิชวีนั้นตำหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉะนแม่เจ้าทุลนันทาจึงบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเล่าครั้นแล้ว